เมื่อในถึงวันพิเศษอย่างนี้เราก็ควรจะทําสิ่งที่เป็นพิเศษเราต้องการสิ่งที่ดีเป็นพิเศษในวาระที่ภูมิสกุลของเราเป็นถึงวันสำคัญัองทัานเราจะแสดงความยินดีปรีดาแสดงความเคารพความรอบนอมแก่ท่าน เราก็จะต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดไปบรรณาการไปถวายไปมอบแก่ท่านบุคคลที่สำคัญที่สุดในประเทศชาติของเราก็คือพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินินษกเมื่อถึงวาระของพระ อ, องค์ท่านพวกเราในฐานะที่เป็นทั้งประชาชนเป็นทั้งบุตรเป็นทั้งพี่ดาของท่านเป็นลูกของท่าน แล้วก็ควรจะรำลึกถึงบุญคุณเมื่อรำลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วก็หาวิธีที่จะตอบแทนพระคุณของท่านการตอบแทนพระคุณก็โดยการที่เรามีอะไรดีๆก็อมอบถวายท่านก็อมอบเป็นเครื่องสักการะของท่านเราจะสังเกตเห็นว่าเราไปฉลวะที่ไหนเราก็เอาสิ่งดีๆไ ป, เ, ปเช่นดอกไม้ผูกเทียน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องสูงของสูงเป็นของดีของประเสริไปเป็นเครื่องสักการะกราบไหวบูชาในวันนี้เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปมอบพระองค์ท่านที่ณที่พักของพระองค์ท่านแต่เรามอบต่อภาษาพิษลักษ์ภาษายาลักษ์ของพระองค์ท่านที่ตั้งณทีน่นี้เรามอบเราถวาย เครื่องสั ก, การะที่ดอกไม้ตุเกเทียนแด่พระองค์ท่านณที่นี่ซึ่งความจริงถ้าพิจารณาแล้วในที่นี้ก็เป็นบ้านของท่านเหมือนกันก็หมายความว่าส่งถึงพระองค์ท่านเหมือนกันแหละเอาไปส่งที่บ้านพระองค์ท่านดังนั้นก็เป็นวาละหนึ่งแล้วพวกเราควรจะเข้าใจและให้มีความเบิกบานดีใจว่าเราได้ทํา ได้แสดงออกซึ่งความเคารพต่อผู้ที่เราเคารพรักเทิดทูนในสีวิตของพวกเราอย่างเต็มที่แล้วประการหนึ่งต่อไปนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลมีคุณค่ามีราคามากที่กว่านั้นอีกแล้วเราก็จะมอบสิ่งนั้นแหละเป็นเค ร, รื่องสักการะบูชาพระคุณพระองค์ท่านมี อันนี้ก็คือการฟังธรรมและกลับประพฤติธปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงปู่ของเราที่เคยเทศไว้ที่หนึ่งท่านบอกว่าการทําความดีต่างๆนั้นดีที่สุดสูงที่สุดสุดยอดนั่นคือทำจิให้สงบให้จิตสงบรวมลงไปเป็นจิตสงบเป็นฌานเป็นสมาธินั่นแหละเป็นบุญสูงที่สุด ให้เราพิจารณาดูให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีมันมาสิ้นสุดลงที่ภาวนาการให้ทานก็เพื่อให้จิตใจเราน้อมไปสู่ความสงบความร่มเย็นความเบิกบานการรักษาศีลก็น้อมไปด้วยความให้จิตใจมีความสงบความร่มเย็นความเบิกบานเหมือนกันการภาวนาก็คือการทําให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นเบิกบาน ต่างก็ให้จิตใจสงบความร่มเย็นเบิกบานโดยเฉพาะการภาวนานั้นก็เป็นสารให้จิตใจร่มเย็นเบิกบานโดยตรงวันนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติปวีดีมาฟังทำมาแสดงออกซึ่งความเคารพกวดีเราจะได้ทําในสิ่งที่สูงที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุด ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วเราจึงตั้งอกตั้งใจทำในจิตในใจของตนเองอุปกรณ์ที่เราจะทำก็มีอยู่แล้วตัวของเราก็มีร่างกายมีครบส่วนเราจะนั่งพับเทียบเราจะนั่งคัสมะก้นเราก็มีเอวเราก็มีแส่งขาเราก็มีพร้อมหมดทุกอย่างไม่ต้องไปขวันวายหาอะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว วันนี้ให้เรามาพิจารณาถึงคสำสั่งสอนองค์พระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ทรงสั่งสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรามาพิจารณาในคำที่เราสวดตรวดมลแปลที่เราใช้มาตรวจนี่ให้บอกเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เนี่เรามาพิจารณาดูสามอย่างนี้สามอย่างนี้มันเป็นความจริงเป็นความจริงของจักรปรรดิทั้งหลายรวมทั้งเราด้วยเราที่เป็นจักรพรรดิก็ต้องมีแก่เป็นธรรมดามีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีตายเป็นธรรมดา เป็นอย่างนั้นให้เรามาพิจารณาดูพิจารณายังไม่เห็นอาจจะเป็นว่าในตัวเองนี่มันใกล้เกินไปตาของเรามันอยู่ตรงนี้มันเลยมองไม่เห็นตัวก็มองไปเห็นคนอื่นมองไปเห็นข้างๆมองไปเห็นคนโน้นคนนี้เห็นครูบาอาจารย์ความแก่เราก็คงจะมองเห็นแล้ว เราเคยอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ท่านแกแกจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเข้าท่านตายมรณะพาดเราก็เห็นแล้วนอกจากหลวงปู่เราก็เห็นอีกคนอื่นๆเราก็เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่เราเราก็เห็นแล้วเห็นหมดแกก็เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นตายก็เห็น มาบัดนี้ก็ยังมีบุคคลที่กําลังแก่ก็มีกําลังเจ็บไข้เดือ่วยก็มีอยู่และกําลังจะตายอยู่ก็เร็วๆนี้เนี่ยก็มีเนี่ยถ้าเราได้พิจารณาเราจะเห็นะเห็นคนอื่นนะเห็นคนอื่นซะก่อนก็ได้และในที่สุดบุคคลเหล่านี้ที่เราเห็นบอกยังไม่แก่หรือว่าแก่ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นักเจ็บไข้ได้อบ่วยก็ยังไม่เจ็บไข้ได้อบ่วยเท่าไหร่นัก ตายก็เลยยังไม่ตายนึ่แต่บุคคลนี้ตายหมดทุกคนแต่เราวิจารณาอย่างนี้เจะในนี้พิจารณาหลายๆทีก็เรามันจะเชื่อความเชื่อนี่ทีแรกมันเชื่อโดยเหตุโดยผลมาอยู่ในหัวใจของนี่สัก่อนเอาละเชื่อละเข้าใจเจดีนี้ว่าความว่าเข้าใจจริงๆะมันยังไม่เข้าไปในใจนี่ต้องพิจารณาต่อไปอีกโบก กลับขึ้นมาบุคคลเหล่านั้นเราเน้นเห็นแล้วว่าแก่ดีกายอย่างที่นี่อย่างเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บางคนก็ตายวกเข้ามาเราก็บุคคลหนึ่งอยู่ในแวดวงนี่แหละแวดวงเดียวกันกับเขานี่แหละเกิดมาเป็นคนเหมือนกันเราก็มีความแก่ไหมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไหมแล้วจะมีความตายไหม วิจารณาย้อนเข้ามาอย่างนี้ก็จะเห็นจริงเห็นจังหรอกมันก็ประเภทเดียวกันนะ่ะแล้วมันจะหนีไปไหนก็ต้องมาตรงนี้แหละมาเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ทางเดียวว่าเราจะจ้องเจอแน่ๆไอ้จริงที่เราไม่ต้องการเนี่ยสามอย่างที่พูดนี้ไม่มีใครต้องการเท่านั้นแนะ่ะคนที่เรามองไปเห็นเขาแล้วเขาแก่เขาเจ็บบางคนตายเขาก็ไม่ชอบ คนไหนคนไหนเขาก็ไม่ชอบมาถึงเราเราคิดดูแล้วเ้าก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบดังนั้นแต่ในที่สุดก็จะต้องเจอต้องครบเราจะต้องเตรียมจนเตรียมตัวไว้สาหรับสิ่งเหล่านี้การที่เราประพฤติปฏิบัตรรริทมคำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธรรเจ้าเจตนาของพระพุทธศาสนาหรือเป็นก็เป็นเป็นทัฒระสง ขององค์สมเด็ดกัจธรมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อจะใชให้พวกเรารทั้งหลายให้พ้นไปจากทุกสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ได้ต้องเกิดกับเราและเราไม่ต้องการอันนี้อันนี้เรียกว่าทุกข์ควจริงทุกข์ไม่มีแต่แก่แต่เจ็บแต่สายนะทุกข์เล็กทุกข์น้อยเพเล็กตัวน้อยยังไม่อีกมากมายทุกข์เห็นผู้คนที่มีชอบทีน้านั้น ต้องไปสมภพไปต้ อ, ปองไปพูดไปคุยต้องไปยุ่งไ ป, ไปเกี่ยววเนี่ยไม่ชอบขีนาเลยทะเลาะบอกแยงกันก็นมีอย่างนี้เป็นต้นก็มีไปพบจริง ท, ที่ไม่ชอบไปไปพบจริง ท, ที่ในรับความเดือดร้อนทุกข์ทานในรับความกระตุกกระเทือนต่างๆมีเยอะแยะไปแล้วไม่ต้องการทั้งนั้น่ะพระพุธทธเจ้าองค์ต้องการให้พวกเราเนี่ไอสัพพะสัตทั้งหลายโดยเฉพาะพวกเราเนี่แหละทีเป็นพุทธบริษัท ร, รู้เรื่องรู้ ร, ร, ราวดีแล้ว ให้พวกนี้ละ่ะหาวิธีพาตนของตนให้พ้นทุกข์ให้ได้อันนี้คือพระประสงค์ของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นการที่เราพิจรารณามาพิจารณาคำสั่งสอนของพระองค์ให้ได้จราบเรามีความแก่เรามีความเจ็บไข้เรื้อป่วยลรามีความตายเป็นธรรมดานันนหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเรานี่น่ะตกอยู่ในวงล้อมของทุกข์ ทุกสามตัวนี่น่ะแกเจ็ตายนีน่เห็นอยู่ชัดๆจะพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยความรู้สึกมันก็จะชัดขึ้นทุกทีทุกทีแล้วมันเป็นจริงขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยอยู่ในวงล้อมของเขาแน่ๆไม่รอดเด็ดขาดมันชัดเจนอยู่แล้วพระองค์ต้องการให้ทราบว่าทุกคนทุกสัพพสัต ตกอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ทั้งนั้นท่านต้องการให้เราเห็นทุกข์พระพุทธองค์ต้องการให้เห็นทุกข์มันจะได้รู้ตัวจะไม่มัวเอ่ยเห้ยสนุกสนานเพลิดเพลินสนุกอยู่เป็นวันวันยิยนมย้นแจ่ไใสสบายมันจะได้รู้ตัวปริปักษ์กจะได้รู้ตัวก็โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นพุทธบริษัตรเราแรกๆนี่แหละ ที่รู้ความรู้ความหมายของพระพุทธเจ้าจะให้พวกเราเนีไน่ได้สํานึกได้สาเนียดว่าเป็นเองอยู่ท่ามกลางาความทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทุกข์เนี่ยแหละเป็นเรื่องแรกเพราะคนเราเนี่มันไม่รู้จักทุกข์จริงๆไม่รู้จักทุกข์ชอบทุกข์บางคนเนะ่ยบางคนชอบทุกข์เกิดมาอย่างนี้เนี่ยชอบเกิด เคยเราเคยคิดพิจารณาหลายทีแล้วบางคนนะ่ยเกิดมาก็แสนจะยากลําบากแสนจะทุกข์ยากเกิดมาอยู่ก็หาอยู่หาเินก็ไม่พอปากพอท้องแล้วยังมีอีกยังมีแก่อีกนะเกิดมานม่พอจนแล้วนะ่ะจะพอแล้วมันยังแก่อีกน่าจะไปแก่กับเฉพาะคนรวยเนยะไม่ยังมาแก่กับคนจนคนจนยังป่วยอีกเป็นโรคต่างๆก็ยังเป็นอีก นนขนาดจนๆอย่างนั้นแหละเกิดมาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายน่ยลำบากอย่างนั้นยังอยากเกิดอีกอยู่ยังอยากเกิดอีสาธุถ้าเปือชาติหน้าต่อไปถ้าขอพระเจ้ากเกิดก็ให้ไปเกิดในกองเงินกองทองเถอะขอให้ได้ไปเกิดในที่ดีๆจะดวกสบายเถอะนัน่นความไม่รู้จักทุกจริงๆก็เลยอยากมาเกิดอีกอยู่มัน แต่มันเจ็บให้ได้ป่วยเนะี่ยก่อนจะตายมนก็ดิ้นลมพ ล, งลังอ่ะดิ้นไปจนกระทั่งตายเนะี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วยังอยากจะเกิดมาเจออีกเจอกันอีกยังอยากจะมาทุกข์กันอีกนะคนที่อยากเกิดก็คือคนที่อยากทุกข์ก็หมายความว่าคนที่ไม่รู้จักเรื่องทุกข์เองดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณา เรื่องเรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานี่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจพินิษพิจรารณาทำจิตใจให้สงบสัมรวมและเพ่งพินิษพิจารณาอยู่ในคำนี้แหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาจริงไหมจริงไม่จริงเรามีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นเรื่องปกติเรามีไม่เจ็บไข้มี ไทยเขาบอมีเจ็บไทเราก็มีมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยเห็นจีเห็นจังแล้วเรามีความตายนะไม่อยากจะพูดถึงเลยความตายแต่ว่ามันมีแน่ๆเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตใจยอมรับเราก็จะรู้พิจารณารู้ว่าการที่มันเกิดมามาพบสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมาแก่ไมเ่เจ็บมาตายเพราะอะไรเพราะมันเกิดเพราะมันเกิด นี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วรู้จักทุกแล้วต้องพิจารณาอย่างไรให้มันให้มันไม่ทุกข์เราเดีรู้จักว่าเหตุของทุกข์มันคืออะไรเหตุของความแก่ความเจ็บความตายคือมันเกิดมาแล้วเหตุของความเกิดคือความไม่รู้ความไม่รู้ก็ทําให้อยากเกิดความอยากเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้ได้เกิดมาอีกความอยากนั่นแหละคือปัญหาคือความอยาก ปัญหาคือความอยากนั่นแหละเป็นเหตุเป็นเหตุของความเกิดเป็นเหตุของความทุกข์นั่นแหละปัญหานั่นแหละเอาพิจารณาเห็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่สองข้อที่หนึ่งนั่นคือทุกขาริยสัจความพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเหตุของความทุกข์นั่นคืออะไรคือความเกิดมันเกิดทีนี้ความที่จะไม่เกิดทํำยังไง พระพุทธองค์ก็สอนไว้พระพุทธองค์สอนว่าให้เดินตามทางนี้ให้ปฏิบัติตามทางนี้เรียกว่ามาัดมีองแฝดคือมัดนี่แต่าถนนใช่ว่าหนทางมัดมีองแฝดเนะี่ยอัดถังจกิกมมัดคําว่ามีองค์แฝด้าคือมันประกอบด้วยแปดประการถังเช่นนี้นะ่ะเหมือนถนนเราเนี่แหละถนนของเราเนี่ยประกอบด้วยหลายทาง ประกอบด้วยผิวทางประกอบด้วยขอน้ำป ร, ประกอบด้วยโขลบประกอบด้วยโคงประกอบด้วยหักกอกอะไรสิ้นเนินลงเนินอะไรเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้น่ะเส่นทางมักมีองค์แปดเนี่ยก็เหมือนกันประกอบด้วยแปดประการสัมมาทิฏฐิสัมมาตัณฑโปูสัมมาวจาสัมมาสัมมนโตสัมมาอาชิโวสัมมาสติสัมมาสมา ธ, มา ธ, มา ธ, มาธิให้เราดำเนินไปตามทางนี้นะ ถ้าดำเนินไปการทางนี้แล้วความอยากทั้งหลายมันจะหมดเมื่อความอยากทั้งหลายมันหมดเพราะมันเห็นจริงเห็น <Lil> <he en S 2> จังความอยากทั้งหลายรวมน้งความอยากจะเกิดมันก็ไม่อยากจะเกิดแล้วเมื่อไม่อยากจะเกิดมันไม่มีความอยากเป็นยางเป็นเยื่อเป็นใหญ่แล้วนั่นก็ไม่มีอะไรจะดึงมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดความแก่มันก็ไม่มี ความเจ็บไข้เรื้อรังมันก็ไม่มีความตายมันก็ไม่มีแท้ที่จริงแล้วความเจ็บ ก, ก็ดีเจ็บไข้เรื้อรังก็ดีความแก่ก็ดีความตายอยู่างนี่ก็ดีมันอยู่กับความเกิดซึ่งมันอยู่บนโลกนี้แหละมันอยู่บนโลกนี้ถ้าเมื่ อ, อไรแล้วเกิดมาบนโลกนี้ทันทีเลยก็ตจงได้สามตัวนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเกิดก็โดยปฏิบัติตามวิธีของพระพุทธเจ้า โดยพระประสงค์ของพระ อ, องค์ท่านโดยพระประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นทั้งหมดนี้ก็คือให้พวกเราทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ทุกประการไม่มีข้อยกเว้นทุกทุกประการพ้นได้หมดที่นี่พวกเราถ้าจะไปถึงตรงนั้นได้ทรงพ้นทุกข์ได้ก็จะต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า วันนี้เรามาพิจารณากันถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้พบได้เจอได้พบได้่านกันทุกทกคนเราพิจารณาเรื่องทุกข์แล้วให้พิจารณาว่าพระพุทธองค์สอนอยู่สอนวิธีที่จะให้คนทดูนี้คือประพฤติปฏิบัติตาม ม, า 8, ม, ามารรคแปดมรรคแปดทั้งมาทิฏิทัมาทั้งกระโจน ให้พิจรารณาจากนั้นทีนี้การพิจารณาต่างๆนี่ท่านก็สรุปแล้วมักมีองค์แปดสรุปแล้วก็พูดตามภาษาง่ายตามภาษาพวกเราก็คือศีลสมาธิปัญญาเราบรพุติปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิ คือการทาผิดของตนให้สงบให้สงบให้สารวมให้มีกำลังให้มีความสามารถหยุดยัง้งยั้งใจไว้ไม่ให้เสียวไม่ให้กระเด็นไปกับอารมณ์ต่างๆและให้มีปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ทั่วไปรอบรู้ในกองสังขารสังขารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะร่างกายเราแต่สังขารสังขารคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยอย่างต้นไม้เนี่ย ก็เป็นสังขารมันเกิดขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมของโลกท่านบอกให้รู้จักความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อรู้จักความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเข้าใจเข้าใจว่า ก, การที่เราทําไมถึงมายึดมั่นทําไมถึงมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่ก็เพราะว่าเรานี่เนี่ยไปเที่ยวหลง ไปหลงเอาสิ่งเอาของที่เจ้าของมาที่นี่แล้วขอให้ยืมใช้ชั่วคราวเนีเราจะไปหลงเอาจริ่งกระเข่าเราจะเอามาเป็นข อ, องเรายึดอยู่ไปยึดแล้วมันได้ที่ยเราเยึดมาแบกไว้มาถือไว้ไอ้โลกเขาก็มีมีอำนาจของเขาเขามีกรรมสิทธิ์ของเขามาดึงเอาไปรั้งเอาไปเขาจะดึงของเขานน้นความจริงน่ะเขาจะมาดึงเอาดินน้ำไปลมไปนน่นความแก่เนี่ยความเก็บความตายเนี่ย เป็นลักษณะของโลกมันดึงเอาดินน้ำไปลมมันคืนมันไม่ได้ดึงเอาเราหรอกที่จริงนะแต่ว่าเนื่องจากความไม่ฉลาดของเรานะ่ะความไม่ฉลาดของจิตมันก็เลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคืนให้มันบอกว่าของฉันของฉันของฉันที่ก็แขนฉันนี่ก็ขาฉันอะไรของฉันนี่ไอ้ความนี้แหละมันเป็นเหตุให้เขาชักลากโมกกลับลงไปจะเกิดมาอีก เกิดมาอีกก็มาเดินมาชักกันอยู่อย่างนี้มาแก่มาเจ็บมาตายอยอยางเนี้ยนี่นี่พระพุทธองค์ต้องการให้จิตเรานี่เข้มแข็งแล้วฉลาดมองเห็นจริงต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นจริงต่างๆตามความเป็นจริงมันจะเห็นหรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยล้วนแต่เป็นเราไปยึดเอาทั้งนั้นน่ะไปเที่ยวดึงขยับเขยืขยอ้อเขาอยู่เนี่ยดึงจะเอาร่างกายนี้ไว้ เอาไว้ให้ได้ทั้งๆ ท, ที่เขาก็ดึงเอาของเขาเขาไม่ได้ดึงเอาใจเอาจิตเราไปนะมีแต่เรานะี่ยแหละไปผูกอยู่นั่นเขาก็จะดึงเอาของเขาเมื่อก็เลยลากเอาเราไปด้วยเลยทีเราไม่ปล่อยเนี่ยไม่ปล่อยมันก็ลากเอาไปเลยทีสังเกต ด, ด้วยนะพวกที่ไปอยู่ตามโรงพยาบาลคนป่วยนะ่ะป่วยนะ่ะป่วยยังมามากยังไงก็ยังจะเอาไว้อยู่ถ้าสมมติว่ารักษาแล้ว อ้าวพอหมอพอให้ออกมาจากโรงพยาบาลได้ก็เดินกระยองกระแยงกระยองกระแ่างเนี้ยเดินก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายมีแต่ความปวดความร่าวอยู่ก็ยังอยากจะอยากจะเอาไว้อยากจะดึงไว้อยู่นั่นน่ะมันจะตายก็ไม่อยากให้ตายไปซื้อโสมซื้อสมพันปีซื้อสมหมื่นปีมายาอายุธนาที่ไหนคว้าควายมาจะเอาไว้ก้อนนั้นน่ะ โลกมันก็จะเอาคืนของมันเนี่ยมันจะเอาก้อนให้มันคืนไอ้เราก็ไม่เยอมจิตไม่ยอมก็มจะดึงเอาไว้ดึงเอาไว้แต่ในที่สุดมันก็สู้มันไม่ได้สักทีชาบแล้วชัดเราพบแล้วพบเราไม่ใช่เฉพาะจิตนี่ไม่ใช่เฉพาะคนคนนี้คนทั่วไปไม่มีใครสู้โลกได้พระองค์ต้องการให้เห็นอันนี้แหละให้เห็นว่า สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันก็คือมันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยร่างกายนี่มันแก่เนี่ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันตายมันเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันมันแก่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นตามเรื่องของมันถึงมันตายมันก็เป็นตามเรื่องของมันไอ้ความที่ว่ามันเป็นตามเรื่องของมันเนี่ยน่ะเขาเรียกว่าอนัตตา คือมัน ม, มันไม่เป็นตามเรามันไม่เป็นตามเราแต่เราก็จึงจะไปยือ้อเขาอ ย, ยู่นั่นแหละเอาเป็นตามเราเอาเป็นตามเราอยู่มันมันไปยื้อกันมันก็ทุกข์ทุกขไปดิเหมือนอย่างเราไปชักเยื้อกับอะไรสักอย่างนี้เนี่ยเมาแตนเมาแตนนะี่ยเหนื่อยไหมล่ะมันอย่างนั้นนะ่ะแล้วเหนื่อยก็แพ้ด้วย เ, เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าต้องการให้ฉลาด เมื่อจะลาดแล้วก็เห็นว่าโอ้ยมันเรื่องอะไรวะไปยึดไปยื้อเอาของเขาอยู่ได้เนะี่ยเขาจะไปของเขาแล้วไปดึงเข า, วานะไว้เนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นมันก็วางเท่านั้นแหละเพราะมันรู้จักว่ามันเป็นเรื่องของเขานูน่นที่ว่าแก่ว่าเจ็บ่าด า, า, ายมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เป็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องาตายเรื่องพิเศษอะไรนะ มันเป็นเรื่องปกติมีแต่จิตเท่านั้นแล้วมีแต่ใจเท่านั้นแล้วไปสำคัญมั่นหมายไปตั้งชื่อให้มันบวชแก่แก่แล้วต้องไม่ชอบนะเจ็บไข้ใดป่วยแล้วมันต้องไม่ชอบนะตายไม่ชอบนะต้องไม่ได้ทีเดียวต้องให้หายนะมีแต่เราเท่านั้นแหละเป็นผู้ไปตู่เอาเนะี่ยในที่สุดถ้าจิตมันเข้าใจแล้วมันฉลาดแล้วมันเห็นว่ามันเองอะจิตเองอล่ะ เป็นตัวไม่ยุติธรรมเป็นตัวไปตู่เขานน่ะจิตมันก็ย่อมรู้จักตัวแล้วอายรู้จักอายมันก็วางเท่านั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมันก็วางเท่านั้นน่ะร่างกายนี่เมื่อจิตวางแล้วหนูก็ไม่ใช่มันหายหรอกนะมันไม่ได้หายหรอกมันก็ยังแก่เรื่องเก่านั่นแหละมันก็เจ็บไข้ใหญ่ป่วยอย่างเก่านั่นแหละมันก็ตายอย่างเก่านั่นแหละแก่มันไม่ใช่จิตตายคนนี้ เขก่อนจิตมันตายด้วยกายเนี่ยมันมันเป็นไปอย่างนั้นความจริงมันก็ไม่ไดีเลวกว่ามันตายมันเป็นอย่างนั้นเฉยๆจิตเราไปบอกว่าตายพอตัวไปกาหนดไว้ตัวก็เลยตายด้วยแต่ถอยออกมาไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เรียกว่าตายด้วยซ้ํำไปถ้ามันฉลาดอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ใครอยู่มันเมื่ออยู่ใครอยู่มันมันก็ไม่โดนกันเท่านั้นน่ะมันก็พ้น เดี๋ยวนี้ที่มันทุกข์ทั้งหลายมันกระทบกระแทกมันดึงมันดันกันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เจ็บมันจะไม่ปวดมันจะไม่ทุกข์มันจะได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นที่เราพิจารณาวันนี้เราพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันว่าคําธรรมดานี่เนี่ยพิจารณาให้ดีๆท่านเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันไม่ใช่พิเศษอะไร เราคิดว่าทําไมนาะถึงมาเป็นกับเราข้าก็ให้ได้คิดว่ามันไม่ได้เป็นกแค่แค่กับเราเหรอกเป็นคนอื่นกมันก็เป็นอยู่เป็นกันทุกคนแหละรุ่นก่นกอนมาหลายพบหลายยุคหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดคนที่เรารั ก, ร ก, รกมากๆเขาล้มมากๆ ก, ก, ก, ก็ยังเป็นเหมือนกันตายเหมือนกันอย่างหลวงปู่ก็ผ่านไปตั้งสิบเอ็ดสิบสองปีแล้ว ใครอีกหลายคนที่เรารู้จักมักคุณผ่านไปแล้วตายไปแล้วมันเป็นธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาแล้วท่านให้คิดถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเราจะทำยังไงพยายามให้มันเห็นเป็นธรรมดาให้ได้มันเป็นธรรมดาเองจะเอาไปก็เอาไปเถอะจะตายก็ตายซะถ้ามันเป็นธรรมดาจริงๆนะมันลงไปที่ใจจริงๆมันเป็นธรรมดาคือมันเป็นเรื่องของมัน มันเป็นเรื่องของเจ้าเว้ยไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามันเกิดที่จิตจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาอยู่ในหัวสมองนะถ้าจิตมันยอมรับจริงๆแล้วมันไม่เป็นไรนะ่ะมันเอาไปเยอะอย่างนั้นนี่เราพิจารณาดูอย่างนี้ว่านานๆอย่างเช่นกูบาจานพันานานมาพบกันทีนึงนบุคคลที่ผ่านไปผ่านไปแล้วแกก็ ผ่านแก่ผ่านเจ็บผ่านตายไปแล้วนะมาเลยไม่พบกันนานๆมาพบกันอีกทีนี่โอ้โหทำไมโทมนักหนาผมเข่างอกดกสั่นยังกระเจ้าเข้านี่ยอันนี้เป็นลักษณะของความเป็นไปของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราถ้าจะห่วง้น อ, อก้นใจกันนึกสงสารเห็นอกเห็นใจก็ว่าโอ้ อายุผ่านนี้พวกเราเนาะผ่านการเวลามาแล้วเนาะขนาดนี้โอ้ยได้อะไรไว้บ้างเนาะได้ความคิดความอ่านอะไรที่จะรักษาตนของตนให้ค้นจากกระแสของมันไม่นอะมันแก่เนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาไหมทำจิตใจของตนให้เป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่ได้ไหมมันเจ็บไข้ได้ป่วยความจิตให้เป็นปกติได้ไหม ทำจิตให้เป็นธรรมดาได้ไหมนอ้อเราจะต้องพิจรารณาด้วยกันช่วยกันพิจรารณาพอพิจารณาไม่ใช่ใครละพิจารณาแล้วก็เพื่อตอนเองนะให้ตนเองยอมรับให้จิตใจของตอนเองเข้มแข็งการที่เราได้ทราบว่าเราจะต้องมีความแก่ความตายเป็นธรรมดานีน่ความจริงท่านไม่ให้เราได้เกิดความพอถอยนะไม่ได้มอง ให้มองโลกในแง่ร้ายให้มองอะไรในแง่ร้ายในแง่ง้อยเงาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ความมุ่งหมายนั้นคือให้เราได้ชินกับเรื่องอย่างนี้ได้เคยได้ชินเมื่อได้เคยได้ชินแล้วมันจะมีรูปทางทคิดหาวิธีออกซึวิธีทางออกมันก็มีอยู่อย่างว่าเนี่ยท่านจิตใจให้เข้มแข็งทิจารณ า, า, าให้เห็นสิงต่างๆตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันหลอกเอาเยยถ้าเราฉลาดแล้ว ตลาดขึ้นมาเมื่อไรแ ล, แล้วก็เห็นจริงทันทีเลยมันไม่ใช่เรื่องโครงการอะไรของเราเลยนั่นหละที่เราพิจรารณาเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงว่าเห็นมีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานี่อันนี้ยังเห็นหยาบๆอยู่แต่ก็ดียังเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เพราะเ็มที่เราถ้าเราป่วยเราแก่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เรากำลังจะตายาเราก็จะได้รู้จักเรามันไม่ใช่เฉพาะเราพ่อแม่ของเราก็เป็นมาแล้วปู่ยา่าตายายเราเป็นมาแล้วคนที่เรารั ก, รกคนที่เราเคารพเคารพตายมาแล้วไม่รู้ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเราจะเห็นว่าเป็นธรรมดาเออถ้าอย่างนั้นเป็นธรรมดาก็ออกไปเถอะมันวิถีของมันเป็นอย่างนั้น เราพิจารณาละเอียดลงไปแล้วก็จะเห็นว่าออที่มันเป็นไปอย่างนั้นก็เพราะมันเรื่องของมันนะทีมันก็เลยเป็นไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นมานานแล้วนะอย่างนี้เป็นมานานนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นในยุคเรานี่หรอกเป็นมานานแล้วมันเป็นไปเอื่อยเชยเพราะมันอย่างเนี้ยไม่ฟังใครทั้งสิ้นเนี่ยอันเนี้ยคือความเป็นอนัตตาของมันนี่ไม่ฟังใครหนี่ยมันเป็นไปตามมัน่ะมันเป็นมานานแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระองค์ไหนนั่นแหละที่มาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้อันนี้แหละมาตรัสรู้เห็นความเป็นจริงของจ ร, จ, รจริงต่างๆว่าคนเรานี่มันโง่มันจะยึดเอานั่นไว้ยึดเอานี้ไว้ไม่ปล่อยเขาไปตามทางของเขาแล้วก็ลองละงมอยู่นั่น วิธีแก้พระองค์ก็ให้ไว้แบบเดียวกันมักมีองค์แปดเหมือนกันหมดแล้วก็แก้ได้โดยวิธีนี้ทั้งนั้นอืเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิจารณาเรื่องเรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมด า, ม า, ม า, รรมดาขอให้ทำจิตทําใจนิ่งๆกําหนดกําหนดดูที่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ขณะนี้มันถ้ามีความคิดว่ามีความเจ็บ ความปวดนี่มีความเพราะว่าพวงคมีเกิดหนึ่งปวดหนึ่งไข้แล้วก็เรื่องจะตายแม้กระทั่งเรื่องเหล่านั้นมันเป็นธรรมดาหมดอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้นะ่ะเรานั่งอยู่แล้วเจ็บแข่งเจ็บขาอย่างนี้เจ็บหลังเจ็บเอวเนี่ยจงองจีบอกมันธรรมดาของมันคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราเนี่ยแหละเจ็บเหมือนกันนี่ยสองปู่ วบาัาจานท่ามนมานั่งภาวนาท่างก็เจ็บเหมือนกันนี่แล้วมันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเจ็บนี่มันธรรมดาอย่าไปสนใจมันเจ็บก็เจ็บเถอะเจ็บก็เจ็บไปจิตใจข้าก็เททำจิตใจให้เข้มแข็งรักษาจิตใจไว้ให้นิ่งให้เป็นกลางให้เป็นปกติมันเจ็บเป็นปกติของมันเราก็วางจิตใจของเราให้เป็นปกติของเรานี่ พยายามอย่างนี้พยายามอย่ายุ่งกันแกอยากเป็นอย่างนี้แกก็เป็นไปฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างเป็นไปของฉันเราไม่ยุ่งกันพยายามกําหนดจิตกําหนดใจไว้มาต่อไปนี้เรานั่งทําความสงบสักพักหนึ่งทําความสงบสักพักหนึ่งพยายามให้จิตลงอยู่ความสงบโดยคิพิจรารณาเมือ่อพิจารณาแล้วสรุปลงแล้วก็ว ทำจินตนิ่งๆกำหนดไว้การกําหนดจิตให้นิ่งนั้นไม่ยากเท่าไหร่หรอกให้กําหนดมนาะให้ระลึกมาระลึกมาที่ลมหายใจระลึกมาดูสิตอนนี้เนะ่ยลมหายใจมีอยู่ไหมหายใจเข้ามีอยู่ไหมหายใจออกมีอยู่ไหมเมื่อรู้แล้วว่าลมหายใจเข้ามีอยู่ ลมหายใจออกก็มีอยู่ก็พยายามรักษาประคับประคองความรู้จักอ น, นันต์ไว้อย่าสรงจริตใจไปไหนให้มันรับรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนันหลมันอยู่นั่นแหละแต่อย่าไปบังคับมันนะรับรู้เฉยๆเขาเ้าทั้งก็รู้ออกทั้งก็รู้รู้อยู่ทำอย่ า, างนี้รักษาอย่างนี้รักษาความรู้จักอย่างนี้ไว้ อันนี้เรียกว่าภาวนาหัดทําอย่างนี้จิตจะค่อยๆสงบลง